พระธรรมเทศนาแผ่นที่101ดลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินทไวสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่9กุมภาพันธ์2560มีชื่อเรื่องว่ากวาดใบกิเลสวันนี้เป็นวันพรรหัสที่9้า พวกเราออกมาฉันข้างนอกเพราะว่าเราจะได้เตรียมพร้อมเตรียมงานพงานของเราวันที่สิอวันที่สิบนี่แปลว่าเราเริ่มสวดมนต์เย็นที่ศาลาหลังนี้แหะสวดมนต์เย็นเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็ฟังธรรมเทศนาหนึ่งกันจากนั้นก็สวดมนต์พระปริตะมงคลพรุ่งนี้เช้า วันที่11พวกเราก็ตักบาตร ท, ทาบุญในบริเวณศาลาหลังนี้เพราะนั้นขอแจ้งข่าวบอกกล่าวเนอะพี่น้องลูกหลานทุกคนในถิ่นของเราเพราะว่าเราเคยทําทุกปีน่ะไม่มีการไปแจ้งข่าวทุกบ้านทุกหลังคาเพียงแต่บอกกล่าวกันให้ทั่วถึงให้ผู้ใหญ่บ้านกำนัน ทุกหมู่บ้านนะนะบอกกล่าวกันจะทําบุญรวมญาติเดอ้อที่วัดหลวงพ่อของเราวัดป่านาคําน้อยเพราะวัดป่านาคําน้อยของเราเนะี่ยเป็นวัดของชุมชนเป็นวัดของทุกคนผู้ใดมาก็มาม า, มาได้เลยไม่ต้องเคอะเอเคิรนเคินทั่วประเทศทั่วโลกพ่อหลวงพ่อเองก็เป็นพระสาธารณะประกาศมาแล้วนะสาธารณชน ชุมชนกลุ่มใดมีความขาดเหลือขาดตกหลวงพ่อพอที่จะช่วยเหลือได้หลวงพ่อก็เข้าไปช่วยเหลือชุมชนและสังคมนั่นๆ น, น, นี่ก็เหมือนการวัดของเราเป็นวัดของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกระดับถ้าว่าผู้ใดลูกหลานผู้ใดศรัทธาญาติของท่านผู้ใดไม่ได้รับเชิญเป็นส่วนตัวก็เข้ามาเลยชวน ชักชวนเป็นสาธารณะบอกกล่าวให้ทั่วถึงได้ยินแล้วก็มาได้เลยไม่ต้องเคอเคอะเคริรนเคริเครนนะและก็วันนี้เป็นวันพระหัสที่9กุมภาพันพธศุศกราชพันหาร้อยหไม่กี่วันนะลูกหลานนะเป็นวันมาฆบูชาด้วยวันที่11เป็นวันพวกเราทำบุญรวมญาติด้วยเพื่อจะให้เป็นวันเดียวกัน ถ้าหากว่าเราจัดเป็นหลายวันก็ก็ทําให้ยุ่งยากเพราะนั้นเราถือว่าเป็นวันมาฆะด้วยถือว่าเป็นวันมงคลแล้วก็เป็นวันทํทาบุญรวมญาติด้วยวันที่สิอนะแล้วก็หลวงพ่อเคยพูดทุกวันเรื่องเสาเข็มของเจดีย์ขององค์หลวงตาพรหลวงพ่อก็อวิตกกังวลแต่ที่แรกนะแต่เดือนนี้ก็หายวิตกกังวลไปมากแล้ว เพราะว่าศรัทธาญาติโยมลูกหลานให้ความรักเคารพ ใ, ให้ความสำคัญในการร่วมกันน้ำใจเทออกมาเพื่อสร้างเจดีย์ของหลวงตาเนี่ยหล่นหลับเป็นที่อบอุ่นหนะลวงพ่อเห็นแล้วนะอบอุ่นประกาศเพียงไม่กี่วันนะคือวันที่สามสิบเป็นวันที่ตอกเสาเข็มสามสิบนะมกรานะ 60และก็วันนี้เป็นวันที่8กุมภา60นยยังไม่ถึง10วันแต่แตามไม่จริงเราก็ประกาศมาก่อนหน้านี้แล้ ว, แ, ลวแต่ว่าเราเอาจริงจังก็คือวันที่30มกราเป็นวันที่พวกเราตอกเสาเข็มสวดอิติปิโสพร้อมกันแปลว่าเสาเข็มต้นแรกตึบต้นแรก แผนดินสถานวันไหวได้ยินแล้วก็โอ้ผีน้องประชาชนพออกพอใจน้ำตาหลังน้ำตาไหลหลายคนวันนั้นพราะว่าเห็นแล้วมันคล้ายๆซึ้งในใจถึงในใจปีติในใจที่จะได้สร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตานะแต่วันนี้ณนะวันที่แปด เมื่อวานวันที่แปดวนันะนะี้วันที่เก้านะลูกหลานนะวันที่แปดเมื่อวานเวลาสิบแปดศนยูนนอวันที่แปดกุมภาพันธ์หก0ปัจจัยแล้วเงินเสาเข็มเนะ่เขาส่งมาส่งรายการมายนะี่สิบแปดล้านหนึ่งแสเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทเจ็ดสิบสามสตังค์ยังขาดปัดจจัย ยังไม่ครบสาสบสองล้านอยู่ยังขาดสาสิบสองล้านนะสามล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่อยเ้าสิบสองบาทนะยังเหลือไม่มา ก, กาถ้าว่าครบจำกำจํานวนแล้วก็คงจะคงจะเหลือเต็มไปแล้วล่ะนะแล้วก็วันนี้ ลูกหลานศรัทธา ญ, ญาติโยมในกลุ่มของเราศรัทธา ญ, ญาติโยมในกลุ่มของเรามาถวายเสาเข็มอีกเหมือนกันนะร่วมสมทบกันไปอีกเนี่ยให้ได้บุญได้หลายนื้อลูกหลานนะใครทําบุญมากทําบุญน้อยมากน้อยไหลเข้าสู่จิตใจของลูกของหลานทุกคนนั่นแหะแต่ทําถ้าทําด้วยศรัทธานะถ้าทําด้วยศรัทธาถึงจะน้อยก็เป็นใหญ่ ถ้างวัดทำเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างอาอันนั้นก็ได้บุญลดลงมาทางวัด เ, เขาทําก็ทําไปอย่างงั้นอะ่ะและ้วทำไม่ทําก็ยังไงยังไงไะอันนั้นแปลว่าทําด้วยความไม่เชื่ออันนั้นก็บุ ญ, บญกุศลก็ลดลงมาเองเพราะฉะนั้นในการสร้างบุญสร้างกุศลเี่รู้แก่ใจของใครของเราเมื่อ ล, ลูกหลาน ถวายปัจจัยมาแล้วขนานะั้หลวงพ่อก็จะเอาเข้าบัญชี J จดีของหลวงตานั่นแหละเท่นี่ทั้งบัญชีเสาเข็มบัญชี JD ดีคืออันเดียวกันนั่นแหละแต่ถ้าไม่จริงถ้ามันขาดเหลือขาดตกหลวงพ่อก็จนะเปิดบัญชีไว้ที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อวานเกี่ยวกับนี่ยนะบริษัทคอนเซ็ปต์บ้างบริษัท J จดีบ้างเจดียังขาดอยู่นะลูกหลานนะ ยังขาดอยู่ถึงจะยังถึงจะหา้าห้าร้อยกว่าล้านกว่าเถอะนะก็ยังขาดอยูเอ่เพราะว่าเราจะต้องทําให้สมบูรณ์ทําให้ดีดีของดีต้องราคาแพงถ้าเราเห็นเงินมากเราก็ต้องเอาของดีเข้ามาใส่นะถ้าหากว่าเรามีเงินน้อย เ, อเราก็เอาเครื่องประดับใส่น้อยนะถ้าหากว่าเราเห็นเงินมาก เราก็สิ่งไหนที่มันจะดีเหมาะสมถูกต้องเป็นธรรมไม่ใช่ว่ารู้หลาโออาจนเกินไปก็ไม่ใช่นะตามความเหมาะสมพอหลวงตาเนี่ยเป็นผู้ เ, เป็นผู้รอบคอบเป็นผู้มัตยญาติเป็นผู้สันโดษ เ, เป็นผู้ที่เหมาะสมอันไหนคือความถูกต้องเป็นธรรมเราจะเอาใส่จุดนั้นพอหลวงตาเองท่าน เมื่อท่านจตุติเนตพานท่านยังบอกว่าดเด็กระดูกของเรานะี่ยงานศพของเราเนะี่ยคนมาทําบุญคนมาทําบุญในงานศพของเรานะ เ, เงินจํานวนที่งานศพของเราอย่าเอามาใช้นะให้รวมกันไปซื้อทองคําเข้าคลังหลวงทั้งหมดให้เอาฟืนเผานะเห็นไหมหลวงตาสั่งถึงขนาดนั้นละ่ะเพราะฉะนั้นการที่จะกร ะ, กระทําสิ่งใดพวกเรา เราก็ต้องคิดแล้วคิดอีกให้มันถูกต้องให้มันเป็นธรรมให้เหมาะสมไม่ใช่ว่าทาแบบอะไรกระโดดกระลาดไม่เอาเออแปลว่ามันไม่สมฐานะของหลวงตาจะไปทำได้ยังไงหลวงตาเป็นคนละเอียดถี่ถ้วนเราก็ต้องคิดให้ดีซะก่อนอันไหนที่จะเหมาะสมถูกต้องเป็นธรรมในการสร้างพระเดีขององหลวงตาเนี่ยต้องคิดแล้วคิดอีกนะจนสุดความสามารถของเรานะะั่นแะ ไม่ใช่ว่าเราจะทำแบบสุกเอาเผากินง่ายๆไม่ใช่นี่แหละอันนี้ก็คือการสร้างบุญสร้างกุศลในคราวนี้ครั้งนี้นะลูกหลานนะคนในช่วงนี้หลวงพ่อวกไปวนว น, ว น, วนวเวียนมาก น, นเรื่องเจดียด์ของหลวงตาแต่ถึงยังไงของวันที่ส1บอดลูกหลานวันมาฆาบูชาเป็นวันสำคัญยิ่ง ในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประกาศกฎรัชธรรมมโนน ป, ปกครองสงคือพระสงฆ์พันสรูปมาโดยไม่ได้นัดเนืนเวลาบ่ายที่วัดป่าเวลุวันผูงราชคฤห์จากนั้นพระองค์พระพุทธเจ้าได้ประกาศและบัญญัติวินัยได้ว่ากฎ ร, รัชธรรมนูญปกครองสงเกี่ยวกับเนี่ย ลงพระปฏิโมกนี่แหละเอออันนี้ก็คือเกี่ยวกับพระสงฆ์ที่อยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะเป็นหมู่เป็นกลุม่มแต่ในวัดของเราวันที่สิบเอ็ดที่จะถึงเนี่ยก็ห่างจากพระพุทธเจ้าปรินิพานเล้วห่างจากวันวันนั้นมานี่แหละในครั้งพุทธกาลมากับปีนี่ปีสองพันห้า้ยหกิสองพันกว่าปีนะ แต่ทั้งยังไงพวกเราอยังรักเคารพในพระธรรมคําสอนของพุทธะอยู่วันนั้นวันมาคะบูชาเนี่ยตอนเช้าเราคงจะทําบุญตอนที่ตอนเที่ยงพระสงฆ์ก็คงจะลงอุโบสถนะแล้วก็ตอนเย็นคงคงจะมีพระทักษิณรอบรอบศาลาหลังนี่แหละเวียนเทียนรอบพระทักษิณที่รอบศาลาหลังนี้ อันนี้คือพวกเราจะมีพิธีกรรมในวันเดือนวันในวันที่11เอ็ดกุมภาพันธ์ปีนี้นะแต่ว่าเราเพิ่มเข้ามาแต่ก่อนก่อนเราก็ไม่มีนะสี่ห้าปีสามี่ปีเนี่ยเราเพิ่มเข้ามาทำบุญรวมญาติเข้ามาอีกนะ เ, เพื่อจะใหเ้เป็นการปีหนึ่งแลน่าจะมีครั้งหนึ่ง แต่ก่อนหน้านี้หลวงพ่อก็เคยพูดว่างานเมื่อคุณแม่ชีแก้วท่านมรณภาพเราก็ทำบุญไปเราจะไปทำบุญที่ห้วยทรายก็มันไกลเกินไปแล้วก็มาจัดทำบุญที่นี่ทุกวันที่เดือนมิถุนายนนะแต่พอเราไปสร้างพระเจดีย์ทางนู้นและเสร็จแล้วนะเราก็เลยไปทำบุญ ไปทําบุญครบรอบเอาเป็นเดือนมีนานอ่ะอาทิตย์สุดท้ายเดือนมีนาทำไมเราจะไม่ได้ทําบุญทําบุญวันมรณภาพของท่านเพราะว่าคนในถิ่นนั่ น, นเดือนมิถุนานเขาปักดำเละลงไร่ลงนาเ่ะปักดำลเลอตกก้าดํานาเละเพราะนั้นเราไปกับทำให้เขาจุ่งยากอีกเลยเราก็เลยลดลงมา ให้เป็นวันที่เป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาทุกปีฮหลวงพ่อก็บอกว่าอืเราเป็นลูกหลานที่ดีเราทําบุญก่อนวันก่อนกําหนดถ้าเป็นลูกนี่ก็เป็นว่าลูกเราเป็นลูกนี่ชั้นดีเราใช้นี่ก่อนฮเราใช้นี่ก่อนกําหนดถ้าเป็น เจ้าของนี่ก็คงจะพอใจนี้ก็เหมือนกันนะคุณทำบุญบูชาพระคุณคุณคุณแม่ทั้งที่ท่านเดือนมิถุนาเรามาทําเดือนมีนานะทํากอนนะเพราะว่าเพื่อหลีกไม่ให้พวกชาวไร่ชาวนาเขาดุงเหยิงวุ่นวายกับการทําไร่ทํานาของเานะ้าอันนั้นก็คืองานของคุณแมนะ่แต่งานของเราเมื่อ ยกคุณแม่ไปทางนู้ดแล้วเวัดของเราก็ไม่มีเราก็อึอ้น่าจะทําบุญ เ, เพื่ออุทิศส่วนกุศลในวัดของเราเอกีกต่อผู้มีอุปกร ะ, ระคุณพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราเนในถิ่ น, นี้เนี่ยผู้ที่เริ่มสร้างวัดใหม่ถวายที่ดิน เ, เรียกว่าลุปรีเริ่มก่อสร้างวัด ลมหายตายจากไปหลายคนตามอายุสังขารตามวัยตามการ เ, ออเพราะว่าอายุแก่แล้วจะอยู่ได้ยังไงเหม็มเจ็ดสิบแปดบเกสปีแล้วนะออแต่ถึงยังไงเราที่อยู่พวกเราที่อยู่เบื้องหลังออจะทํำยังไงก็ปีหนึ่งน่าจะมีการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กลับให้กับออผู้มีอุปกรณ์คุณเหล่านั้นที่หลวงรับไปอันนี้ก็คือประกาศให้ ทายาทถวมลูกหลานทุกคนหลวงพ่อจะได้มนต์พระสงฆ์เข้ามาแต่หลวงพ่อเองก็ทําอีกเหมือนกันน่ะเอ mm hmm. ทําบุอุทิศกุศลให้กับโยมพ่อโยมแม่กับโยมพี่ของหลวงพ่อเหมือนกันอุตรทิศนกุศลให้กลุ่มญาติเหมือนกันในวันนั้น่ะเพราะฉะนั้นให้พวกเรามาร่วมมารวมกันจัดเป็นพิธีขึ้นมาแล้วกับุทิศนกุศลให้กับญาติของใครของเรานี่แหละ เมื่อพระสงฆ์เข้ามาจเจริญพระพุทธมนต์วันที่10ตอนเย็นแล้วก็วันที่11เอเป็นวันตักบาตรตอนเช้าจากนั้นก็พระสงฆ์อนุโมทนาให้พรถวายพระทหารแต่ละก็คงเสร็จพิธีแล้วลูกหลานง่ายๆไม่มีอะไรนะอันนี้แหละคือการสร้างบุญสร้างคุศล่แล้วก็พร้อมกัน ให้พวกเราทุกๆท่านนะการประกอบคุณงามความดีการสังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจนี่นะมันมีหลายทางคนหนึ่งก็คิดอย่างหนึ่งว่ามันจะถูกคนหนึ่งก็คิดอย่างหนึ่งว่ามันจะถูกนะต่างคนต่างคิดต่างคนก็ต่างทำํำแต่บางครั้งก็บางทีก็เกินไปก็มีอย่างยกตัวอย่าง อย่างในครั้งพุทธกาลในครั้งพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระองค์หนึ่งบวชเข้ามาและขยันขยันในทางการทํางานนะเกิดชื่อพระสมสมัสมมชชะเนะี่ยชื่อของท่านนะถ้าหลวงพ่อจำไม่ผิดนะพระส ม, มัชชนยะบวชเข้ามาและขยันปัดกวาดทั้งวี่ทั้งวันเลยอืพอฉันอย่างหันเสร็จแล้วก็ไปปัดกวาดเอทําความสะอาดวัดเอแต่นี้ก็ปัดกวาด ตอนนี้เขไปเห็นพระเถระพระเรวัตตานะท่านก็นั่งภาวนาอยู่ในกุฏิของท่านนั่งภาวนาคนที่ทํางานกับคนที่ไม่ทํางานตั้มนิกันเป็นธรรมดาใช่ไหมละ่ะพระสัมวัตชนะนี่ก็ปัดกวัดไปไปไม้หล่นที่ไหนปัดไม้หล่นที่ไหนปัดกวาดแต่พระเถระนั่นท่านก็นั่งภาวนาท่านเดินจง ก, กลมคนนั่งภาวนาอพระ ส ม, มัชชนะเนี็ก็เอ๊ะทําไมพระเถระนี่ทําไมนั่งอยู่เฉยเฉยเนี่ยวะพระองค์เนี่ยถ้าเอาไม้กวาดท่านถือไม้กวาดไปกวาดด้วยกันมันกอวัดก็จะสะอาดนะเนี่นแะความคิดความเห็นมันแปลกแตกตานะ่างนั้นลูกหลานนะคือเขาตัเวเองอยากจะทําอะไรก็อยากจะให้คนอื่นทําด้วยนะีย <c> ท <oughs> ีนี้ท่านก็คิดไปท่านก็ไปกวาดปัดกวาดบริเวณใกล้ๆพระเถระ เรวัตตาที่ท่านนั่งอยู่จนพระเทเรสะกันรู้วาระจิตของพระ อ, องนั้นใช่ไหมรู้วาระจิตไอ้พระ อ, องค์นี้เขาก็คิดดีอยู่แต่มันไม่ถูกนะท่านก็เลยบอกเออสมรถนะไปไปอาบน้ําไปอาบน้ำแล้วมาหาเรานะมาหาผมนะคือท่านพระเรวตตาเนี่ยเป็นพระผู้ใหญ่กว่ามีอายุพรรษามากกว่าใช่แต่องค์นั้นคิดเฉยเฉยกว่าที่พระเทรสะนี่ ถาหาเอาไม้กวาดไปกวาดด้วยกันนี่ยวัดคงคงจะเตียนคงจะเกี้ยงเก่าขึ้นมาที่กว่าจะมานั่งจุกปุกนั่งอยู่เฉยๆนยพะพระเตล่ก็ลไปไปอาบน้ําไปแล้วค่อยมาหาผมนะพระองนี้ก็เชื่อฟังนะไปผมเป็นพระผู้ใหญ่กว่าก็เลยไ ป, ไปอาบน้ําส่งน้ําเสร็จแล้วก็เข้ามามาก็มานั่งมานั่งข้างๆเลยท่าน ไม่ใช่บวชเข้ามาแล้วไม่ใช่จะปัดกวาดทั้งวีทั้งวันนะตื่นเช้ามากับปัดกวาดซะให้สะอาดตื่นเช้ามาปัดกวาดพอปัดกวาดเสร็จแล้วไปบินทบาทในเมื่อไปบิณทบาทเสร็จแล้วฉันจังหันพอฉันจังหันเสร็จแล้วท่านให้ไปเจริญภาวนากรรมฐานพิจารณากรรมฐาน พิจารณาอาการ32มเนเกษาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเจี่ยนในกระดูกพิจารณาให้เป็นอสุภะปฏิกูลให้เป็นของไม่เที่ยงแท้แนนอนให้เป็นของที่ไม่ยั่งจืนชีวิตของเราเกิดแก่แล้วกระเจ็บแล้วก็ตายในที่สุดเห็นอนในจังทุกขังอันัตาให้พิจารณาอย่างนี้นะอันนี้แหะคือหน้าที่ของพระ พอตกตอนเย็นตกตอนเย็นหนึ่งค่อยปัดกวาดอีกสักรอบเนึง่งแล้วก็ต่อไปแล้วก็ลกกเลากจาริญภาวนาอีกนี่แหละหน้าที่ของพระไม่ใช่ว่าจะถือไม้กวาดปัดกวาดทั้งวี่ทั้งวันไม่ใช่นะไม่ถูกนะเอาอย่างนี้นะแต่นี้ต่อไปครับรู้จักหน้าที่แล้วบัดจากนั้นท่านก็เลยไปนั่งภาวนาปฏิบัต พอนั่งปฏิบัติท่านก็เลยสําเร็จเป็นพระรหันต์เลยพอสําเร็จเป็นพระรหันต์พระทั้งหลายเห็นเอะพระสมรชชนะเนี่ยตะกอนเนี่ยขยันเหลือเกินปัดกวาดทั้งวีทั้งวันแต่บัดนี้ทําไมฮกับไม่ไม่ทําอย่างเก่าพระเหล่านั้นเขาก็เลยเยอะเยอวะ่ะเอพระสมรชชนะใบไม้มันลกแล้วนะอทําไมท่านไม่ปัดปัดกวาดเหมือนตะกอนละ่ะ เอผ่านพระส ม, มัชชนะกขาบอกว่าเออสมัยก่อนผมยังไม่รู้เอแต่บัด น, นี้ผมรู้แล้วควรปฏิบัติอย่างไรเพราะฉนั้นผมไม่หลงอย่างเก่าและวผมไม่หลงไม่ลุ่มหลงอย่างเก่าแล้วพอพระเหล่านี่ได้ยินโอคําว่าไม่ลุ่มหลงเนี่ยไม่หลงลุ่มหลงอย่างเก่าเนี่ยแสดงว่าเป็นพระรหันแล้วเนี่ย ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าไปฟ้องพระพุทธเจ้าสมัยก่อนพระขี่ฟ้องเหมือนกันนะไปฟ้องพุทธเจ้าพระเจ้าเออใช่สำ ม, มัตินะนี่ยเขาภาวนาแล้วเขาได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วนะเขาหยุดแล้วที่การกระทำอย่างนั้นเขาปัดกวาดข้างในของเขานะท่านปัดกวาดกิดเลสออกจากจิตใจของท่านบริสุทธิ์แล้วนะนี่แหละสรุปแล้วก็คือแนวความคิดนี่ยมันคิดอีกอย่างหนึ่ง แต่คิดว่าถูกนะแต่ว่าพระเถระมหาเถระท่านมองดูแล้วมันผิดแต่ตอนไม่ถึงกับผิดมากหรอกแต่ว่ามันสแลปออกไปถ้าทางที่ถู ก, กนัน่ต้องดูกายวาจาใจของตอนเองเห็นใจต้องดูใจของตอนเองให้เห็นอันในจางทุกขังอันาตาเห็นไตรลักษณ์อันนี้คือเป็นสายตรงเป็นหน้าที่ของพระทุกองจะต้องประพฤติปฏิบัตินะ นี่แหละขอให้พระลูกพระหลานทั้งหลายนะคือหน้าที่ของพวกเราคือเข้ามาบวชในพุทธศาสนาเนี่ยนี่แหละคือจุดใหญ่นะจุดใหญ่ให้ดูใจของตนเองน ะ, ะต่อ น, นี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรและพรในตะ น, นี้นะ